ต้องปล่อยต้องวางออกเยอะสิ่ง ท, ที่เรายึดเราถืออยู่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่เราเป็นห่วงเป็นกังวลเป็นอะไรใหญ่ดีต่างๆนั้นต้องปล่อยต้องทิ้งต้องวางออกเพราะนั้นอย่าได้นึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องดีการที่จะมายึดมาผูกไว้อยู่นั่นไม่ดีหรอกแต่การที่เราจะไปรู้จัก แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติขนานดีสิ่งเหล่านั้นคนเรามีข้องมีเกี่ยวมียึดมีถือมีรั้งมีเดืองอยู่ตลอดตลอดมาแล้วก็ตลอดกับทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องสิ่งเรื่องของขอปลูกพอพันมีความอะไรอาวร์ไม่อยากจะจากกับภาพนั่นแหละ เร่องผู้เรื่องคนพี่น้องพ่อแม่ลูกเต่าล้านเลนผูกพันโดยมดชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งที่สังกวนเป็นสิ่งที่ผูกผิดพันแก่บุคคลทั่วไปอยู่ตลอดมาในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดกับประศัตทั้งหลายที่มาเกิดนี้ ถ้าจะพูดแล้วบอกคือประเภทที่ว่ายังยึดยังมั่นนั่นแหละยังยึดยังเกี่ยวยังดิ้นไม่หลุดนั่นแหะก็เลยอะเดียวมาเกิดอยู่เนี่ยพวกเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหะที่มาเกิดเนี่ยอย่าได้นึกว่าดีนักหนาอย่าได้นึกว่าดีเรามาเกิดี่เพราะความผูกความพันความยึดมั่นคือมั่นมันผูกมันเกี่ยวมันพันมาจึงได้มาเกิดนี่แล้วก็ยังมยังไม่ก็อยากจะวางอีกนะยังไม่อยากจะวาง ยังจะฝันควายกวาดก้อนเอาสิงต่างๆว่าเป็นทรัพย์สมบัติในโลกเพชรนินอินดาแก้วแหวนเงินทองเงินในธนาคารต่างๆหาฝันฝวายชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยฝันฝ่ายหาสิงต่างๆในนี้อันนี้มันเป็นติดเป็นปนิสัยติดเป็นสันดานของจิตมาตั้งแต่พบก่อนอนุห น, นะได้มาถึงพบนี้แล้วได้มาเกิดเป็นคน ก็ขวันฝ่ายแบกคนทั้งหลายก็ฟันฝ่ายเนะี่ยเพคนทั้งหลายนะเนี่ยมันเป็นประเภทที่มีผูกมีพันมีเกี่ยวมีข้องเป็นประเภทที่สายเยื่อสายใยยังไม่ขาดด้วยกันนั้นนะ่ก็เลยมาปมักโคมโหมกันขึ้นมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างค่านิยมในการที่จะผูกจะรั้งตนเองไว้กับเรื่องต่างๆ ก, กับหลักกับกอต่างๆ มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแทนที่จะมาแล้วเพื่อชำระช้าออกต้องวางนะต้องวางทุกคนทุกคนวางทุกเรื่องทุกราวยิงจะพ้นได้จึงจะเป็นทางที่เปิดทางที่เราทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเป็นเพราะเรายึดนั่นแหละเป็นเพราะเรายึดเราอาลัยสิ่งที่มันดีเรานึกว่ามันดีอาลัยไม่อยากจะให้มันจากไปคิด หวนหาอะไรละห้อยละเหี่ยใจไม่มียอมเลิกยอมลาถึงแม้ว่าสิ่งต่งางๆเรื่องต่างๆผู้คนต่างๆเขาจะล้มหายตายจากหมดการเวลาของเขาไปนานแสนนานแล้วก็ยังมาอาลัยอาวรณ์อาลัยไยดีอยู่นั่นแล้วอ่อยอิอยู่นั่นแหะนั่นแหละลองที่เจรณาให้ดีแต่จริงเรานั่นแหละเป็นเครื่องผูกเครื่องรั้งให้ใจิติใจ พุกเดือดร้อนจึ็มากระสบกระสายตรงนั่นแหละที น, นี้สิ่งต่างๆนะั้นมันเป็นอนิจจังเพราะพรุทธเจ้าก็สอนอยู่อนิจจังแต่บุคคลที่ไม่ยอมจะให้มันเป็นอนิจจังไม่ยอมจะให้ธรรมชาติมันเป็นไปตามวิถีทางของธรรมชาติไม่ยอมจะให้ธรรมดามันเป็นไปตามวิถีทางของธรรมดาจะเอาดังที่ตนหวัง จะเอาดังที่ตนผูกพันอย่างที่ตนชอบอย่างที่ตนอะไรบุคคลเหล่านี้แหละทุกบุคคลเหล่านี้แหละทุกเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูเถอะตัวของเราเองเราท่องเราคาอะไรคาอะไรอยู่บ้างยังห่วนหาอะไรอะไรอยู่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมละไม่ยอมทิ้งหลายปีแล้ว เกิดมา20 30 80 90ปีบางคนก็เรื่องความเป็นอยู่สมัยนู้นสมัยยังเด็กก็ไปที่ทางนึงถึงแม้ออยเองคิดถึงตานช่วงนู้นมันช่างเบิกบานมันช่างเป็นสุขร่มเย็นเหลือเกินหียห้อยหาอะไรนี่นั่นแหละพ้นไม่ได้ คนไปจากความผูกพันไม่ได้บางคนก็เอา้าอย่างใกล้ๆหน่อยอย่างเช่นว่าหลวงปู่เราเนี่ยสมยัยหลวงปู่ท่านอยู่นี่พวกเราอยู่กันร่มเย็นบรรยากาศ็นความประพฤติปฏิบัติก็จะเต็มเปี่ยม ใ, ใครๆพระเนนกวีาูีญาติโ ย, ยมอาบบจกุุบาสุขราชิกาที่มาวาดัดแต่ละคนก็ มีกิริยาอาการท่าทางมีความสั้งอกตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติมาในวัดก็เห็นองค์นั้นก็เดินจงกรมอยู่ในป่านูน้นองค์นี้ก็เดินอยู่ตรงนี้องค์นั้นก็นั่งภาวนางเงียบกิริยาก า, าเรเต็มไปด้วยความสงบสัมบูรณ์ญาติโยมก็เหมือนกันพอถึงวันพระวันศีนพากันมาเข้าวัดฟั่งทำจําศีน ต่างคนต่างก็ไม่ได้มาพูดมารวมหัวกันคุยกันหรอกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมันจะอยู่สงบ ก, กระต๊อบที่ไหนท้ายวัดหรือหรือไปอยู่ที่ไหนที่สงบบางคนบางท่านน่นถึงก็มาอยู่บุติไปอยู่ตามใต้ต้นไม้ไปเอากดไปกราดไปไปกลางเอาเสือไปปูเขาเดินโยกมุมนั่งภาวนาอยู่แถวนั้นบรรยากาศที่เต็มเลย การประพฤติปฏิบัติอาจจะคิดอยู่ยงนั้นอ่ะพอลวงปู่ผ่านต้นไปแล้วมาถึงสมัยนี้สภาพมันเปลี่ยนไปหมดสภาพสิ่งแวดลอ้อมสภาพบ้านเมืองสภาพโครงสังคมสภาพสถานที่เปลี่ยนไปหมดส่วนคานองอาการของปู่ของคนที่มาสู่วัดก็แปรก็เปลี่ยนไปบางคนก็ละห้อยละเหีย มวลหาอะไรถึงบรรยากาศทั้งนน้นน้นทั้งแต่ลงปู่ยังอยู่นน้นบางคนก็นึกเห็นลงปูนะ่แหะโยกเอาลงปู่มาทามาควนถึงอยนะนะู่นั่นแหะอย่างนี้ทำให้จิตใจนึ่ไม่สามารถจะเป็นอิสระได้การที่เราลำลือกถึงครูบาอาจารย์นั้นดีจะทำให้จิตใจเรามีกำลัง ให้นึกถึงว่าหลวงปู่ท่านทําดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ยินอยู่ว่าท่านสอนว่าอย่างไรท่านมีความเด็ดเดี่ยวอย่างไรมีความแหลมคมอย่างไรในเรื่องปัญญาในการให้พวกเราพิจารณาและความจริงจังในการที่จะกําหนดให้พวกเราหรือว่าให้อุบายในการพุทธเจริญภาวตตนาเราคิดเห็นอย่างนั้นเรารียทําอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะดี ไม่ใช่ระคิดถึงท่านลำลึกถึงอยู่นั่นแล้วลำลึกถึงบุญบา ร, รมีของท่านอะไรของท่านตัวเองก็เกิดติดใจแปวแล้วห้อยแล้เงียแล้วไม่เป็นอันอยู่แล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายจะต้องคงต้องบางลงสิ่งต่างๆมันเคลื่อนมันค้ อ, คอยไปตามกาล เ, เวลาเขาเรียกว่ามันเป็นอนิจจังคำว่าอนิจจังนี่จะแปลให้ละเอียด จริงๆแล้วก็คือมันไม่อยู่อย่างนี้มันไม่อยู่อย่างที่เราเห็นเดี๋ยวนี้ถึงขณะนี้เปลี่ยนไปสักอีกนาทีนึงข้างหน้านี้มันก็ไม่เหมือนอย่างนี้อยู่แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วอันนั่นคืออนิจจังคือความที่มันไม่สามารถจะทรงอยู่ได้นั่นล่ะอนิจจังคำว่าอนิจจังนี่ไม่ได้มีข้อยกเว้น ไม่ได้ยกเว้นว่าหลวงปู่เราหลวงปู่เทศเทศสดังสีของเราที่เราลัพลกพารุษนักหนานี่อันนี้จึงจะยืนยงคงตลอดตั่วกาลนานส่วนคนอื่นนะี่ยเป็นอันนิดจังมีแต่หลวงปู่เทศมีจึงยืนนิดจังยืนอยู่จึงทนไม่ใช่เป็นเหมือนอย่างนั้นหมดสภาพวัดของเราก็เปลี่ยนแปลงไปยู่เรื่อยเปลี่ยนแปลงอย่างนู้นมาถึงตรงนี้แล้วขนาดนี้ ถ้าเราไม่มัวอ่อยอิ่มไม่มัวมัญหาอะไรนะเราพิจารณาให้มันเป็นอัดเป็นธ ร, รมพิจารณาให้เห็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติจริงก็จะเห็นเราก็โอ้มันเปลี่ยนแปลงไปจริงจริงเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือเชื่อเก่าขณะเก่าลักษณะเก่าเหลือเลยสักนิดหนึ่งก็มีบางอย่างมันจะมีก็ ม, มีแต่ตัวเราเนี่ยแหละเนี่ยยังเป็นบุคคลคนเก่าอยู่เนี่ย แต่ว่าก็ใช่ว่าจะเป็นคนเก่าที่มีสภาพเหมือนเก่าแต่เป็นคนเก่าอยู่เป็นนายนั่นนางนี่เป็นพระอง์นั้นเน εν, องนี้ยังเป็นชื่อเก่าตัวเก่านั่นเนี่ยแต่ว่าสภาพเปลี่ยนไปหมดไม่มีเหลือแทไม่มีเหลือในความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้อันนี้หละมันเป็นตัวที่จะให้เราเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์มันทุกข์เพราะว่าอะไร เพราะว่าเราไม่ยอมเรานี่แหละมันไม่ยอมจิตนี่แหละไม่ยอมจะให้มันเปลี่ยนถึงมันจะเปลี่ยนถึงเรามันถึงเราไม่ยอมเท่าไหร่มันเปลี่ยนเราก็ไม่ยอมรับนั่นแะนั่นแหละความทุกข์มันเกิดเพราะอันนี้แหละเพราะความเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงแล้วจิตเราไปยึดไปปลูกไปพันเราจะไม่เอาเราจะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นนั่นเองแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดา แล้จิตใจเราก็ไมไปขัดไปขวางแล่ะคิดว่างเนาเป็นก็เป็นเถอะถ้าอย่างนี้เท่านั้นอ่ะมันก็พนมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตามปกติอะไรแต่มันก็ไม่ทุบหรอกเนี่ยมันมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่ยังปล่อยยังวางไม่ได้คือยังจะรัง้งจะดึงอยู่นมันก็โดนดึงราบครู้ไปเกิดเป็นแท้ถลอกปอบเปิดแ้จิตแพ้ใจนะเน่ะเกิดถลอกปอบเปิดมอด แล้วห้อยแล้เนี่ยแต่ละวันมันจะเป็นอันอยู่แล้วเนี่ยนี่มันทุกอย่างนี่แหละแล้วในขนาดเดียวกันไอ้ที่มันเป็นอนิจจังนี่แหละที่ว่ามันเป็นเหตุให้ทุกข์เนี่ยมันก็เป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยสามารถบรรลุกุณฑกรรมเนี่ยสามารถบรรลุกุณฑกรรมคําว่าอนิจจังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดมันชัดอยู่ในหลายๆเรื่องเรื่องหยาบๆโปรยชัดมันดูแล้วมันเห็นได้ง่าย ถ้าบุคคลเราไม่ขี้ชอบตั้งใจดูธรรมชาติแล้วก็อย่าไปอย่าไปทำอะไรเขาให้เขาเป็นไปตามลักษณะของเขาแล้วเราดูดูสินะแล้วเราจะเห็นชัดสิ่งที่สอนได้ดีที่สุดก็คือธรรมชาตินี่แหละครูที่สอนในโรงเรียนที่สอนในมหาวิทยาลัยหรือที่ไหนนะบางทีก็ขิ้เกียจขี้ค้านนะบางทีก็ไม่ไม่มาสอนในชั่วโมงสอนก็มี แต่ธรรมชาตินี่ซ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าบุคคลเพียงรู้จักสังเกตเอาเท่นั้นจะสามารถบรรลุธรรมได้ความค้นทุกข์ท่านไม่ เ, เนคยไปน้นที่อื่นที่ไกลหรอกเขมาพ้นในโลกนี่แหละที่โลกนี่มันมีอนิจจังเพราะฉะนั้นอนิจจังนี่มันก็เลยเป็นอุปกรณ์ที่ดีดีสำหรับให้จิต ท, ที่มาในโลกนี่ก็จะมาดูสังเกตดูจริงๆอย่างๆไม่ใค่จะไปจัดทุบเอา ไม่ใช่จ ะ, จะไปจะคพูดออกให้มัเป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้แต่เรามาสังเกตดูดูให้มันจริงๆอย่างจังดูให้มันเห็นวิธีจะดูพระพุทธเจ้าบอกที่ทราบอยู่ทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้อย่างนี้เป็นต้นทุกที่ทุกอย่างเป็นอ น, นิจจังคือมันไม่อยู่คงที่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเเคงตั้งอกตั้งใจดูเท่านั้น่ะ มันก็จะเห็นสิงเห็นจังเพราะมันไม่เคยอ่ำกางไม่เคยปิดฟงางอ่ำกางดังนั้นคำว่ า, าอ น, นิจจงเนี่ยเป็นเหตุให้เราเดือดร้อนก็มีบางคนเนี่ก็เดือดร้อนเหลือเกินมันไม่อยู่อันไหนดีแต่ก่อนเราก็เห็นว่าดีบัดนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วร้อยะอะไรเงี่ยนั่นอ น, นิจจงเนี่ยทําให้บางคนเกิดความเดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันอนิจจ์นี่แหละทําให้คนบางคน ถึงความปนทุกรายคนที่เดือดร้อนนั่นแหละแล้ถ้าเบื่อตั้งอกตั้งใจดูพิจารณาดูให้ดีไม่เข้าข้างตัวไม่ไปตะทุ้มันไม่ไปดึงไปลากมันดูมันเฉยๆแล้วก็จะเห็นว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปสิงนี้เนาะเราเองก็ไม่ชอบเลยมันก็ยังเป็นไปอยู่เนี่ยออลองเทียบกับ ทำมาพุทธเจ้าสิ พ, พุทธเจ้าบอกทุกสิงเป็นนิจจังนานเอเรานี่ยบอกเขาจะเป็นอนิจจังเราไม่ให้เป็นนี่มันในทุกบุคคล น, นี้แหละที่เคยทุกนี่แหละถ้าเผื่อไม่ตึงมัวแต่ทุกเนี่ยไม่ไปมัวจะไปเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เนี่ยดูที่ให้มันดีๆจะเป็นบุคคลที่ฉลาดขึ้นมาได้แล้วพ้นทุกได้การพ้นทุกไม่ได้ไปพ้นไก่เท่าไหร่มาพ้นอยู่ในนี้แหละ พ, พุทธเจ้า เขมาตรัสสรูในโลกนี่แหละในโลกมนุษย์นี่แหละที่มันมีสิ่งเหล่านี้ที่มันมีสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกทังอนาตตาพระพุทธเจ้าก็มาตรัสสรู้อย น, นี้พระสาวกทั้งหลายเมื่อจะบรรลุคุณธรรมเมื่อจะพ้นทุกข์ก็จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละมันไม่มีทางอื่นหรอกที่จะอ้อมไปตรงนู้นเราไปโกรธตรงนู้นเรากับพ้นทุกข์อย่างนี้ไม่มีมันต้องมานี่ทั้งหมด ถาอยางนั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันร้อมรอบตัวเราอยู่นี่ยอย่าไปมัวทุกโศกอย่าไปมัวทุกมัวโศกมัวโศกมัวเศร้ามัวอ้อยมัวอิงอะไรอยู่เลยชีวิตของพวกเรานี่ไม่มีมากแล้วเหลือน้อยแล้วจะไปมัวอยู่ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดเดือดร้อนกว่าดีเกิดเป็นประเภทรักกว่าดีเป็นประเภทชังกว่าดีชอบใจไม่ชอบใจพยายามทิ่งออก วางออกเยะให้รู้จักสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามการรองของโลกมันเฉยๆมันไม่ได้มาชอบมัน ไ, ไม่ได้ม่ได้มาให้เรารักไม่ได้เราชอบไม่ได้เราโกรธเราเกลียดหรือชังอะไรล้อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นความเป็นไปของวัดของเราหรือสภาพเก่าๆนั่นแหละสภาพความเป็นอยู่ที่เราเคยอยู่กับหลวงปูงง่ใครอยากจะให้มันผ่านไปเมื่อไหรเรา ใครอยากจะให้ผ่านไปไหมหรือใครไม่อยากให้ผ่านไปแต่มันก็ผ่านไปแล้วเราดูเฉยเฉยเราไม่ต้องไปอยากอยากจะให้มันคงอยู่อยากจะให้หลวงปู่กลับขึ้นมาอยากจะให้เหตุการณ์ต่างๆกลับคืนมาไม่ต้องไปอยากแล้วดูอยู่เฉยเจ้าจะไปก็ไปเถอะอย่างนี้แล้วก็สบายสบายด้วยแล้วก็รู้จักเหตุรู้จักผลที่ถูกต้องไม่เหมือนกับเด็ก มันคีเด็กก็ยังดีกว่าดีกว่าพวกเราพวกเราที่ยังงมงายทีไล่กว่าเด็กนะ่เด็กนี่ถ้ามันมันเห็นว่าของอันเนี้ยนะมันไม่มีมันลองให้จะเอาของนะถ้ามันรู้ว่ามันไม่มีแล้วมันเลิกมันหยุดลองให้แต่พวกเราเนี่ยทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เรากล้ามควนอยู่ในใจอ้อยอิ่เดือดร้อนองเนียว่า สมควรจะอย่างนั้นสมควรจะอย่างนี้สมควรจะอยู่สมควรจะไม่จากไปก็ยังจากยังพากไปแล้วก็อ้อยอิงอย่างนั้นนานมาแล้วอย่างนี้มันก็รู้อยู่ว่าจริงแล้วนั่นมันจะกลับขึ้นมาไม่ได้มันจะคงอยู่ก็ไม่ได้เราก็ยังจะอ้อยจะอิงอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเท่าไหร่ขี้ร้ายกว่าเด็กสู้เด็กไม่ได้หรอกพยายามให้พิจารณานะถ้าใครมีอะไรฝูกพันอยู่ในจิตใจแล้ว อย่างมันก็ไม่ลงเป็นสมาธิหรอกไม่ลงเด็ดขาดถ้าจะปล่อยจะวางอะไรจะถึงบรรลุทำนั้นไม่บรรลุเด็ดขาดเลยต้องวางต้องปล่อยต้องปล่อยต้องวางออกให้หมดมดที่จริงเมื่อหมดแล้วจึงจะได้สิ่งหนึ่งที่มีราคามากที่เป็นของดีมากจะได้สิ่งหนึ่งคือความไม่มีความไม่มีความโล่ความสบายความถึง ถ้าจะพูดถึงว่าถึงธรรมะความถึงมันจะถึงได้ถ้าทิ้งเหล่านี้พวกนี้มันจะได้ความถึงอตอบนี้ภาวนาน่งภาวนาฟังเทศน์หลวงปู่